เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบรมสัรอุบาสุกอบาสิกาผูา้ฝันยัรงทุกๆท่านวันนี้เป็นวันพุทธที่5ตุลาคมพุทธศักราช2554เป็นวันพระวันธัรมสวสสาวันที่สาธุชน ได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงมอบไว้ให้แก่พุทธศาสนิกชนดังที่ทรงตรัสไว้ในปัจ ช, ชิมมาโอว่าก่อนที่พระองค์จะเสด็จดับขันปารณิพานพระองค์ทรงกล่าวว่าสังขารทั้งหลาย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 จะเป็นสิ่งที่จะเตือนสติให้พวกเราไม่ประมาทนอนใจให้พวกเราลมลึกถึงความตายอยู่เสมอเพราะเป็นความจริงที่ทุกคนจะต้องสัมผัสจะต้องรับรู้ถ้าไม่คิดแล้วเวลาถึงเวลานั้นแล้ว จะไม่มีอะไรติดมือติดตัวไปจะไม่มีอะไรรักษาใจทำให้ใจผ่านไปอย่างไม่สะทกสะท้านไม่หวั่นไหวแต่ถ้าได้ลํำลึกอยู่เรื่อยๆว่าเกิดมาแล้วต้องตายไปเป็นธรรมดาร่วมพ้นความตายไปไม่ได้ ก็จะทำให้เราเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมสเสบียงเตรียมอาวุธไว้ต่อสู้กับความตายและเตรียมสเสบียงไว้สำหรับการเดินทางต่อไปถ้าเรายังไม่สามารถสร้างบุญสร้างกุศลถึงระดับของพระอาหารหันต์ได้ เราก็จะยังต้องไปเกิดใหม่แล้วการไปเกิดของเรานี้จะเกิดสูงเกิดต่ำก็อยู่ที่การกระทําของเราในปัจจุบันนี้ถ้าเราทําบุญเราก็จะไปเกิดสูงถ้าเราทาบาปเราก็จะไปเกิดต่าถ้าเราชำระจิตใจของเรา ให้สะอ า, ารบริสุทธิ์เราก็ไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไปนี่เป็นสิ่งที่เราทุกคนสามารถทำได้มีโอกาสทำได้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่แต่พอถึงเวลาตายไปแล้วเราจะทำบุญไม่ได้ทำบาปไม่ได้ชำระจิตใจให้สะอ า, าไม่ได้ เพราะเวลาตายไปแล้ววิบากกรรมก็จะเป็นตัวที่จะมาพาเราไปพาเราไปตามเหตุที่เราทำไว้ถ้าทำบุญก็จะพาเราไปสวรรค์ไปรับผลบุญในสวรรค์เป็นเทพเป็นพรหถ้าทำบาป ก, ก็จะต้องไปเกิดในอบาย ไปเป็นเดวะชานไปเป็นเปรไปเป็นสัตว์นรกเพราะเหตุคือการกระทำบาปพาให้เป็นไปช่วงระยะนั้นจะไม่ใช่เวลาที่จะทําบุญหรือทำบาปหรือชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้เพราะเป็นช่วงเวลารับผลตอนนั้นทําอะไรไม่ได้ พวกเทพพวกผมนี้ทำบุญเพิ่มต่อไปไม่ได้ทำบาปไม่ได้ชำระใจให้สะอาดบริบสุทธิ์ไม่ได้มีแต่รับผลบุญอย่างเดียวจนกว่าผลบุญนั้นจะหมดถึงจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เช่นเดียวกับผู้ที่ไปอบายก็จะไม่สามารถทำบุญทำบาปหรือชำระใจให้สะอาดบริบสุทธิ์ได้ต้องใช้ ใช้วิบาบของบาปที่ตนทำไว้จนกว่าจะหมดบาปแล้วถึงจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาสร้างบุญสร้างบาปชำระใจให้สะอาดลอยสุดใหม่สำหรับผู้ที่ไม่ไม่ประมาผู้ที่รู้ว่าความตายนั้นไม่มีใครสามารถที่จะกำหนดได้ ไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไรแม้แต่ในวันนี้ก็มีโอกาสที่จะตายได้เพราะไม่มีใครรู้และไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขับรถไปก็อาจจะประสบอุบัติเหตุเดินข้ามถนนก็อาจจะถูกรถชนตายได้หรืออยู่ดีๆก็หัวใจวายตายได้ หรือนอนหลับแล้วก็ไม่ตื่นขึ้นมาก็ได้เหตุการณ์เหล่านี้มีเกิดขึ้นทุกวันถ้าเราศึกษาหรือติดตามข่าวคราวต่างๆในหน้าหนังสือพิมพ์เราจะเห็นข่าวคนตายอยู่ทุกวันและตายได้ทุกรูปแบบตายด้วยตายได้ทุกทุกคนทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นคนแก่หรือเป็นคนหนุ่มหรือสาวไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นคารวาไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายทุกคนมีสิทธิ์ที่จะตายได้เท่าเท่ากันถ้าเราลำเลึกความตายอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะได้รีบขวนขวาย สะสมสเสบียงหรือรีบชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าเราเบื่อกับการเวียนว่ายตายเกิดเบื่อกับการแก่การเจ็บการตายเราก็มีเรามีโอกาสหรือมีทางเลือกเลือกไม่กลับมาเกิดก็ได้เช่นพระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันต์ท่านเลือกไม่กลับมาเกิด ท่านจึงชำระใจของท่านจนสะอาดบริสุทธิ์ถ้าเรายัางเลือกที่จะกลับมาเกิดยังเลือกที่จะไปสวรรค์เราก็ต้องทำบุญอย่าทำบาปแต่ถ้าเราเลือกที่จะไปนรกเราก็ทำบาปต่อไปนี่คือทางเลือกของเราเรามีทางเลือกสามทางและเราเป็นผู้เลือกเองเป็นผู้ตัดสินใจเอง และเป็นผู้พาเราไปเองไม่มีใครพาเราไปได้พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ไม่สามารถพาเราไปสู่พระนิพพานได้พาเราไปสู่สวรรค์ได้มีการกระทําของเรานี่แหละที่จะพาไปที่พระพุทธเจ้าส่งสอนสามอย่างด้วยกันคือหนึ่งทำบุญสองทำบาปสามาำระใจให้สะอาด้อยสุด เป็นทางเลือกของพวกเราถ้าทำแล้วก็จะต้องไปรับผลทันทีไม่ใช่ทันทีหมายถึงหลังจากที่ตายไปแล้วจะต้องรับผลอย่างแน่นอนจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามเหมือนเราจะเชื่อว่ากฎหมายมิวห้ามไม่ให้เราฆ่าผู้อื่นเราจะเชื่อไม่เชื่อเมื่อเราไปฆ่าผู้อื่น เดี๋ยวกฎหมายเขาก็ตามมาจับตัวเราไปดงโทษเราจะไปบอกศาลไปบอกผู้พิพากษาว่าผมไม่เชื่อว่ามีกฎหมายข้อนี้อยู่เขาก็ไม่ยกเว้นเชื่อไม่เชื่อหรือรู้หรือไม่รู้ก็ไม่มีข้อยกเว้นถ้าไม่รู้ก็ควรที่จะศึกษาให้มากๆศึกษาทาง ถ้าอยากจะรู้เรื่องกฎหมายก็ต้องศึกษาเรื่องกฎหมาย <c oughs> ถ้าอยากจะรู้เรื่องเวียนว่ายตายเกิดเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ก็ต้องศึกษาจากพระพุทธศาสนาโดยพระพุทธศาสนานี้เป็นคำสอนที่เหนือกว่าคำสอนของทุกๆศาสนาเพราะมีคำสอนของพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่สอนให้ไม่ไปเกิดได้ที่สอนให้ สิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดที่สอนให้บรรลุถึงพระนิพพานได้มีคําสอนของพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นศาสนาอื่นนี้ศาสดาไม่มีความสามารถที่จะรู้ถึงการยุติของการเวียนว่ายตายเกิดได้ต้องเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นและพระพุทธเจ้านี้ก็ นานๆจะมาปรากฏขึ้นมาสักครั้งหนึ่งส่วนศาสดาของศาสนาอื่นนั้นจะมีปรากฏอยู่เรื่อยๆเกิดมาไม่ว่าจะยุคไหนสมัยใดก็จะมีศาสดาที่สอนให้ทำบุญและละบาปแต่จะไม่มีศาสดาสอนเรื่องการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ต้องเป็นพระพุทธศาสนาต้องเป็นศาสดาของพระพุทธศาสนาเท่านั้น ที่จะสอนเรื่องนี้ได้เพราะว่ามีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่มีความฉลาดรู้รอบรู้ถึงเหตุของของการเวียนว่ายตายเกิดและรู้เหตุของการสิ้นสุด ข, ของการเวียนว่ายตายเกิดได้พวกเราในภพนี้ชาตินี้จึงถือว่า มีโชควาสนาเป็นอย่างมากที่ได้มาพบกับคำสอนของพระขุเจ้าได้พบกับโอกาสที่จะได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดการเวียนว่ายตายเกิด น, นี้อย่าไปคิดว่าไม่ดีเป็นสิ่งที่ดีกว่าการเกิดเพราะการเกิดจะต้องมาเจอกับความทุกข์เสมอเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ต้องพัดพรากจากกันไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นปัทนาทิปดีก็ตามก็ยังต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายแต่ผู้ที่ไม่กลับมาเกิดเท่านั้นที่จะไม่ทุกข์การไม่กลับมาเกิดก็ไม่ได้หมายความว่าหายไปไหนจะยกตัวอย่างผู้ที่ไม่เกิดก็เป็นเหมือนผู้ที่อยู่ในบ้าน ที่มีของทุกอย่างที่ตนเองต้องการอำนวยความสุขให้ตลอดย4บสีชั่วโมงไม่ต้องออกไปหาความสุขภายนอกบ้านส่วนพวกที่ไปเกิดนี้ก็เหมือนผู้ที่ออกไปหาความสุขภายนอกบ้านก็ต้องออกไปเสี่ยงภัยกับอันตรายต่างๆเสี่ยงภัยกับอุบัติเหตุทางรถยนต์เสี่ยงภัยกับโจมผู้ร้าย <c oughs> เป็นต้น ต้องไปทุกทรมานในการหาความสุขผู้ที่ไม่ไปเกิดนั้นก็ไม่ต้องไปเสี่ยงภัยไม่ต้องออกนอกบ้านเพราะมีพระนิพพานเป็นบ้านของตนเป็นบ้านที่ถาวรเป็นบ้านที่ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมไปจะอยู่ในบ้านนั้นยังมีความสุขตลอด24ชั่วโมง7วันต่ออาทิตย์ 31เ็วันต่อเดือน366วันต่อปีจะมีแต่ความสุขตลอดเวลานี่คือการไม่ไปเกิดของพระ พ, พุทธเจ้าและของพระอาหารหันต์เพราะท่านได้พบบ้านที่ให้ความสุขกับท่านตลอดเวลานั่นเองเป็นบ้านที่ปราศจากความทุกข์ปราศจากภัยอันตรายทั้งหลาย พวกเรานี้เป็นเหมือนผู้ที่ยังไม่มีบ้านเป็นเหมือนคนเล่ร่อนคนที่ทํานอนกลางถนนบ้างข้างถนนบ้าง น, นอนใต้สะพานบ้าง น, นอนตามศาลาที่จอดรถบ้างพวกเราเป็นอย่างนี้พวกเรายัางไปไม่ถึงบ้านที่มีความสุขและมีความปราศจากความทุกข์มีพระพุทธเจ้าพ้นพระ อ, องค์แล ที่ได้ไปพบกับบ้านหลังนี้แล้วท่านจึงได้นำเอามาสั่งสอนพวกเราที่เป็นเหมือนพวกเล่ร่อนที่ยังไม่มีบ้านอยู่อาศัยถ้าพวกเราเชื่อและเราปฏิบัติตามพวกเราก็จะได้พบบ้านอันประเสริฐนี้เช่นพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลาย ที่ก่อนที่ได้พบกับพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธศาสนาท่านก็เป็นคนเล่ร่อนคนไม่มีบ้านมีช่องเหมือนพวกเราเป็นกันอยู่ในขณะนี้แต่พอได้พบกับพระธรรมคําคสอนก็เกิดศรัทธาความเชื่อจึงทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการชําระใจให้สะอาบดบริสุธิด้วยการให้ทาน คือให้ทรัพสมบัติเข้าของเงินทองที่มีอยู่แก่ผู้อื่นไปหมดเลยแล้วก็ออกบวชอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงทำเป็นตัวอย่างทรงสระละราชสมบัติแล้วก็ออกไปอยู่ในป่าในเขาไปชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการเจริญสมถภ า, ภาวนาและวิปัสสนาภาวนา คือนั่งสมาธิเดินจงกรมทำใจให้สงบหลังจากออกจากความสงบก็พิจารณาความไม่เที่ยงความเกิดแก่เจ็บตายพิจารณาความไม่มีอะไรเป็นตัวตนไม่มีอะไรเป็นของเราพิจารณาจนสามารถปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจ พอไม่มีความอยากแล้วก็จะได้บ้านอันประเสริฐขึ้นมา ท, าทันทีคือพระนิพพานผู้ที่ยังมีความอยากนี้ก็แสดงว่ายังต้องไปเล่ยล่อนต่อไปยังต้องไปเกิดใหม่แต่ผู้ที่ไม่มีความอยากแล้วก็จะไม่ต้องไปเล่ยล่อนไม่ต้องไปเกิดใหม่เพราะมีความสุขอยู่ตลอดเวลา มีความอิ่มมีความพอตลอดเวลาไม่มีความหิวความกระหายความอยากกับอะไรทั้งนั้นนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวแล้วก็ไม่ใช่จะมีพระพุทธเจ้ามาสอนอยู่เรื่อยๆเหมือนกับศาสดาที่สอนเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ศาสนา คือคำสอนของพระพุทธเจ้านี้นานๆจะเกิดขึ้นมาสักครั้งหนึ่งหลังจากที่เราตายไปแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะได้กลับมาพบกับพระพุทธศาสนาเองเมื่อไหร่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์นี้ก็ทรงพยากรณ์ไว้ว่าจะมีอายุไม่เกิน5 0 0พปีนี่ก็เหลืออีกสองพัน 2,400 กว่าปีก็จะหมดยุคบทสมัยไปจะไม่มีใครสอนพระพุทธศาสนาสอนพระธรรมคำสอนอีกต่อไปถ้าเรากลับมาหลังจากที่พระพุทธศาสนาหมดไปแล้วเราก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้ยินได้เรียนได้ศึกษาถึงวิธีที่จะทำให้เราได้ ยุติการเวียนว่ายตายเกิดอย่างมากเราจะทำได้ก็คือทำบุญเพื่อไปสวรรค์เท่านั้นดังนั้นตอนนี้เราไม่โอกาสอันดีเราอย่าปล่อยให้ความหลงหลอกให้เราไปหลงกับสิ่งที่ไม่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับจิตใจเช่นลาภยศสรรเสริญและความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย สิ่งเหล่านี้ไม่เป็นประโยชน์แต่เป็นพิษเป็นภัยกับจิตใจเพราะเป็นเหมือนยาเสพติดไม่เป็นไม่ไม่ใช่อาหารของใจพวกเราก็รู้ว่ายาเสพติดนี้เป็นอย่างไรเราก็รู้ว่าคนที่เสพยาไปแล้วเป็นอย่างไรแต่คนที่เสพนั้นเขาไม่รู้ว่าเป็นพิษเป็นภัยกับเขาเขามีความหลงคิดว่ายาเสพติด ให้ความสุขกับเขาแต่เขาไม่รู้ว่าเป็นความสุขชั่วขณะที่ได้เศษแต่หลังจากนั้นแล้วก็จะมีแต่ความทุกข์และจะต้องทำลายเขาทำลายเขาไปใไนที่สุดผู้ที่เสพยาเสพติดแล้วเลิกไม่ได้นี้ส่วนใหญ่ก็จะต้องตายก่อนวัยทุกๆคนไปฉันใดความ เรื่องของลาบยศสรเสริญสุขก็เช่นเดียวกันไม่ได้ให้ความสุขความสงบแก่ใจแต่จะกลับให้ความวุ่นวายความทุกข์ความวิตกความกังวลความเศร้าโศกเสียใจทุกวันนี้ที่พวกเราทุกกันเราทุกกับเรื่องอะไรถ้าไม่ใช่ทุกกับเรื่องลาบยศเสริญทุกกับความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกาย เวลาไม่มีเงินมีทองก็ทุกข์แล้วเวลาอยากได้เงินก็ทุกข์แล้วเวลาสูญเสียเงินทองไปก็ทุกข์เวลาไม่มีตําแหน่งก็อยากมีก็ทุกข์ต้องดิ้นลนพอได้มาแล้วก็ต้องมาวิตกกังวลว่าจะถูกโยกย้ายหรือถูกปกไปเมื่อไหร่และเวลาที่สูญเสียไปก็เศร้าโศกเสียใจ เช่นเดียวกับคาสรรเสริญเวลาคนสรรเสริญก็ดี อ, อกดีใจพอถูกคนเข้าดา่าก็เกิดความเสียใจเกิดความโกรธขึ้นมาเกิดความทุกข์ขึ้นมาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เช่นเดียวกันเวลาได้เสพได้สัมผัสก็มีความสุขดี อ, อกดีใจพอเวลาสูญเสียไปก็เศร้าโศกเสียใจ เวลาเสียคนที่เราลากไปเป็นอย่างไรก็ล้องหผง้องไห้กินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นยาพิษนั่นเองมันไม่ได้เป็นอาหารไม่เป็นไม่ไม่เป็นเหมือนบุญที่พระพุทธเจ้าทรสงสอนให้พวกเราทำกันอย่างวันนี้พวกเรามาทำบุญเรากำลังเอาอาหารให้แก่จิตใจ เราให้ทานแล้วใจเราก็สงบเย็นสบายมีความสุขขณะที่เราฟังเทศเราก็มีปัญญาเกิดความรู้เกิดความฉลาดขึ้นมาเรารักษาสิงใจของเราก็จะสงบละงับไม่วิตกกังวลกับวิบาก ค, คือบาปกังที่เราทำเพราะเราไม่ได้ทำบาตทํากรรมนั่นเอง นี่คืออาหารที่แท้จริงของใจคือบุญที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราทํากันเช่นทานศีลภาวนาการฟังเทศฟัง <k bian introduces> ธรรมนี่แหละเป็นอาหารของจิตใจที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเราเข้ามาวัดกันทุกวันพระเพื่อมาเติมมาหารนี่เองมาให้ทานทําบุญให้ทาน มารักษาศีลมาภาวนานั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์ทำจิตใจให้สงบฟังเทศน์ฟังธรรมหรือจเจริญวิปัสสนาพิจารณาความไม่เที่ยงความทุกข์ความไม่มีตัวตนของทุกสิ่งทุกอย่างล้วเราพิจารณาแล้วต่อไปเราก็จะรู้ว่า ลาบยศสรรเสริญสุดนี้ไม่ได้เป็นคุณเป็นประโยชน์กับจิตใจของเราแต่เป็นตัวที่ทําให้ใจของเราต้องทุกข์ทรมานใจอยู่ตลอดเวลาเราก็จะปล่อยวางลาบยศสรรเสริญสุดเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสละราชสมบัติทรงปล่อยวางลาบยศสรรเสริญสุข แล้วก็ทรงมาทำบุญอย่างเต็มเต็มที่ตลอดเวลาด้วยการออกบวช ด, ด้วยการไปอยู่วันหรือถ้าไม่ได้ออกบวชไม่ได้อยู่วันแต่มีเวลาว่างอยู่ที่บ้านก็จะทำบุญอย่างเต็มที่ตลอดเวลาที่มีเวลาว่างอยู่ถ้าทำอย่างนี้แล้วใจก็จะได้รับการชำระ ให้สะอาดไปเรื่อยๆใจสะอาดมากขึ้นไปเท่าไหร่ใจก็จะมีความสุขมากขึ้นไปเท่านั้นเพราะสิ่งที่ทำให้ใจสกปรกนี้ก็คือกิเลสทันหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆเช่นความอยากในการอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นเวลาเกิดความอยากล่านี้ขึ้นมา จะทำให้ใจหงุดหงิดลำคางใจเช่นเวลาอยากจะดื่นสุราก็จะเกิดอาการหงุดหงิดขึ้นมาถ้าไม่ได้ดื่นเวลาอยากจะสูบบุหรี่แล้วไม่ได้สูบบุหรี่เวลาอยากจะไปร่วมหลับนอนกับใครแล้วไม่ได้ร่วมหลับนอนก็จะเกิดอาการหงุดหงิดเกิดความเศร้าซ้อยหงน้อยหเหงาว้าเหว่ขึ้นมา เพราะความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์นั่นเองแต่เวลาที่ไม่อยากน่าเป็นยังไงสบายดีไหมสบายอย่างตอนนี้เราไม่ได้อยากไปดื่มสุราเราจะไม่รู้สึกหนุนหินลำคางเราไม่ได้อยากสูบบุหรี่เราก็นั่งฟังเทศฟังธรรมไปได้แต่ถ้าเราอยากจะสูบบุหรี่เราก็จะทนนั่งฟังเทศฟังธรรมไปไม่ได้ จาต้องลุกออกไปข้างนอกเพื่อไปสู่ภูริเพื่อไปคลายความทุกข์ที่เกิดจากความอยากแต่เป็นการคลายชั่วคราวแล้วก็เป็นการสร้างความอยากเพิ่มขึ้นมาใหม่เพราะหลังจากได้สู่ไม่นานไปแล้วก็อยากจะสู่มวนใหม่ขึ้นมาอีกวันหนึ่งก็จะสู่ไปทั้งวันทั้งคืนนอกจากเวลาหลับเท่านั้นแล้ว ผลเสียหายก็จะตามมาต่อไปร่างกายก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคเป็นมะเร็งแล้วก็จะต้องตายไปก่อนวัยเช่นเดียวกันกับการเสพสุรายาเมาเ <c oughs> พราะความอยากพราะไม่รู้ว่าความอยากนี้เป็นโทษคิดว่าเวลาอยากแล้วได้เสพในสิ่งที่ตนอยากแล้วเป็นความสุข แต่ไม่คิดถึงโทษคือความทุกข์ที่ตามมาต่อไปไม่เคยมองคนที่เขาไม่เสพดูว่าเขาเป็นอย่างไรคนที่ไม่ดื่มเหล้าเขาไม่มีโรคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวจากพิษสุราคนที่ไม่สูบบุหรี่เขาก็ไม่มีโรคภัยที่เกิดจากการสูบบุหรี่เราไม่มองดูตัวอย่างที่ดีเราถูกความอยาก ครอบงำสะกดจิตเราพออยากแล้วจะเอาอย่างเดียวเท่านั้นจะต้องเอาให้ได้อย่างเดียวจะไม่เคยคิดเลยว่าเอามาทำไมมีคุณหรือมีโทษถ้ามีสติปัญญาคิดสะหน่อยก็จะสามารถหยุดความอยากได้ยอมทุกขกับความอยากไปชั่วคราวเดี๋ยวความทุกข์นี้เดี๋ยวความอยากนี้ก็จะหมดแรงไปเอง เหมือนเวลาที่เรามีหนามตังอยู่ที่เท้าถ้าเราไม่เอาออกเวลาเราเดินเราก็จะเจ็บเท้าอยู่ไปไม่มีวันไม่มีวันสิ้นสุดแต่ถ้าเรายอมเจ็บยอมถอนห<ม>นามถอนออกมาจากเท้าของเราเราก็จะเจ็บเพียงไม่นานพอแผลหายแล้วต่อไปก็จะไม่เจ็บอีก เช่ในใดเวลาที่เราอยากสุราหรืออยากบุหรี่หรืออยากทาอะไรก็ตามถ้าเราฝืนใจอย่าไปทําตามความอยากยอมทนกับความหงุดหงิดลาคางใจความไม่สบายใจทุกข์ใจไปสักระยะหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะหมดกําลังไปแล้วต่อไปเราก็จะไม่มีความอยากมาคอย ผักดันให้เราต้องกระสับกระส่ายกระวนกระวายหมดเหตดใจนี่คือวิธีดับความทุกข์วิธีที่จะชำระจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์วิธีที่จะทำให้เราไม่ต้องไปเกิดใหม่ก็คือการละเื่อนต่อสู้กับความอยากที่เป็นตัวคอยผลักดันให้ใจของเราต้องออกไป ข้างนอกไปหาสิ่งต่างๆมาถ้ายังมีความอยากอยู่เวลาร่างกายนี้ตายไปแล้วใจก็ยังต้องไปหาร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้ร่างกายอันใหม่มาเป็นเครื่องมือมาเป็นเครื่องมือสำหรับการหาความสุขจากความอยากต่างๆร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนโทรศัพท์มือถือ ถ้าโทรศัพท์มือถือเครื่องเก่าเราเสียไปใช้ไม่ได้ถ้าเรายาังอยากจะติดต่อกับคนนั้นคนนี้ทางโทรศัพท์มือถืออยู่เราก็ต้องไปซื้อเครื่องโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่มาใช้ต่อแต่ถ้าเราฝืนความอยากที่จะโทรศัพท์ติดต่อกับคนนั้นคนนี้ต่อไปเราเวลาโทรศัพท์เครื่องเก่านี้เสียไป เราก็ไม่ต้องซื้อเครื่องใหม่ก็ได้เพราะเราไม่อยากจะติดต่อกับใครนี่แหละคือเรื่องของต้นเหตุที่ทำให้เราต้องไปเวียนว่ายตายเกิดต้องไปแก่ไปเจ็บไปตายไม่รู้จักจบจากสิ้นก็คือความอยากสารประการด้วยกันคือหนึ่งความอยากในการเรียกว่าการมาตันหาความอยากมีอยากเป็นเรียกว่าภาวะตันหา และความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเรียกว่าวิภภาวะ ต, ตันหาความอยากทั้งสามประการนี้แลที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรู้ได้รู้ว่าเป็นต้นเหตุของความทุกข์ทั้งหลายต้นเหตุของการเวียนว่าตายเกิดพระพุทธเจ้าจึงใช้มรรคก็คือสติปัญญาวิปัสนาสมถะและวิปัสนาภาวนา เป็นเครื่องมือมาทําลายความอยากทั้งสานี้จนในที่สุดพระองค์ก็ไม่ต้องไปเกิดใหม่อีกต่อไปไม่ต้องไปทุกข์กับการแก่การเจ็บการตายอีกต่อไปนี่เป็นคําสอนหรือความสามารถของ พ, พระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่นานๆานจะปรากฏมาให้โลกได้กราบไหว้บูชาและได้ศึกษาล่ำเรียน และได้รับประโยชน์อันสูงสุดพวกเราชาตินี้ถือว่าเป็นชาติที่มีโชคว่าสนามากที่สุดถ้าเราไม่รีบจับตัวโอกาสอันนี้เราไม่รู้ว่าอีกกี่ร้อยกี่ล้านชาติเราจะได้พบกับโอกาสอย่างนี้อีกจึงขอให้พวกเราจงมีความเชื่อในพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจา้าที่ทรงสอนให้พวกเรา จงยังประโยชน์ของตัวเราเองและผู้อื่นให้ถึงพอด้วยความไม่ประมาคือให้เราทำบุญละบาปแล้วก็ชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วชาตินี้ก็จะเป็นเป็นชาติที่ไม่เสียชาติเกิดคือจะเป็นชาติที่เราได้กำไรได้รับสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์กับจิตใจของเราอย่างแท้จริง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 No